ใจเป็นผู้นัตถิโรเกระโหนามะความลับไม่มีในโลกก็คือใจนั่นเองจะโกหกพวกลมมันมันก็ไม่ได้ใจเอย๋ยเคยเธอเคยได้ทําดีไหมถ้าเคยได้ทดําดีใจก็ตอบใจได้ถ้าไม่เคยทําดีใจก็ตอบใจไม่ลงอีกเหมือนกันนะใจมีคุณเป็นทหารแต่ก็มีโทษเป็นอ น, นันต์ถึงกลับไปผูกถึงกลับไป ผูกคอตายให้กายตายก็มีนอกจากกายไม่มีอะไรจะทําดีทำชั่วให้เกิดขึ้นได้ดินฟ้าอากาศไม่ได้ทําตาหูจมูกเล่นกายมันก็ทําไม่เป็นถ้าใจไม่อยู่นั่นเช่นคนตายอย่างนี้มันก็มีตามันก็มีหูเมื่อตายยังไม่ทันเน่าทันเปื่อยมันไม่ทําอะไรเพราะวิญญาณของมันไม่อยู่ในที่นั้นมันก็ไปที่อื่น ผู้ทำดีทําชั่วผู้มีอิสระเข้าใจอันเดียวเท่านั้นเป็นผู้มีอิสระกายไม่มีอิสระเวลาดินน้ำไฟลมไม่สมดุล ม, ม, ม, ม, ม, มันก็ไปไม่ได้ใจจะมาครับไปไปมึงไปสักมึงไปสะมันก็ไปไม่ได้ลุกไม่ได้อีกเหมือนกันเดินไม่ได้ ถ้าเดนน้ำไฟลงแตกกระจิงกันออกแล้วไม่สมดุลกันรถก็เหมือนกันถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งมันก็ไปไม่ได้ผู้ขับจะไปตีบางคนเพี้ยงเพี้ยงมึงไปมึงไปมันก็ไม่ไปอันเดียวกันติเหมือนนายตายเหมือนบ่าวแต่ว่าก็บังคับได้เป็นบางส่วนถ้ามันลุกมาได้ มึงรุกซะมึงเว่งมึงเว่งซะใจจะบอกมันมันก็ลุกมาได้จะว่าเหมือนนายหมดทุกอันมันก็ไปได้นายก็เหมือนกันจะบังคับลูกน้อง ก, ก็บังคับได้แต่ธาตุสีด่ดนน้ำไฟลมของมันที่บริเวณอยูถ้ามันป่วยลงแต่บังคับใช้งานมันก็ไปไม่ไหวมันลุกไม่ได้อันเดียวกันทําไมเราจึงอาบน้ํา วพระร่างกายมันสกรปรกปฏิเสธอานหน้าไม่ได้ทําไมเราจึงปฏิบัติสิ่งต่างเพราะจิตใจมันสกรปรกมันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าล่อโกดหลงมีอยู่จริงการบรรเทาวปฏิบัติเพื่อให้ล่อ โ, โกดหลงเบาลงหรือเหือที่หาย ไ, ไปก็ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าเวรไพรในวัดท้าสงสารมีอยู่จริงจิงการปฏิบัติเพื่อเว้นจักเวรไพยก็ปฏิเสธไม่ได้เวนไัยทั้งหลายมันออกมาจากไหนมันออกมาจากไม่ละอายตบบาปไม่กลัวตบบาปเมื่อไม่ละอายตบบาปไม่กลัวตบบาปแล้วมันก็ไปร่วงละเมิดศีลทานทั้ชาวโลกไปร่วงละเมิดศีลทานทหารก็ไม่ตรงตำรวจก็ไม่ตรงเรือนจําก็ไม่ตรง โซ่ตรวนก็ไม่ต้องมนขายขอก็ไม่ต้องเฝ้าเวยนยามก็ไม่ต้องมีคุณแกก็ไม่ต้องมีคดีดำคดีแรงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมีนอนก็ไม่ใช่ลูกขวานเพราะไม่มีเวรอยู่ข้างไปทางไหนก็มีแต่เวรแต่ใไป ถือขามือมาแยกเอามีน้ำซ้ำข่าพ้อมม ก, ก็พราะเห็นนะก็พระไม่มีเสียงหาพระไม่ละอายตวารไม่กลัตวตวาชาวโลกตั้งกฎหมายกฎหมูกฎพักกฎพวกขึ้นไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดจะ ต, ตั้งไม่ใช้เฉย แต่ไม่ปฏิบัติสินทำมันก็ไปไมไม่รอดเหมือนกันกครหมายก็เป็นเป็นเพียงหลอกคนโง่เท่านั้นทำมาไงก็เป็นเพียงหลอกคนโง่เท่านั้นถ้าจิตใจไม่พอพึตงบัรทัดหรือดิ่งก็เป็นเพียงหลอกคนโง่เท่านั้นถ้าไม่พอพฤตงถูกบัรทัดและดิ่ง จริงเรานี่เป็นหน้าที่จะพิจารณาให้แตกส้านพู้ถึอวระโสดาบัไม่เชดายตรองรับเสียงฮาไม่เชื่อใจอยากจะลวงอบ า, ายวุฒิไม่เชื่อใจอยากจะถือหย่งยงคงกรันไม่เชื่ออยากจะถือเวทมนตรราคาถาไม่เชื่ออยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ ค้าขายสัตว์เป็นอะไรนสัตว์ที่ตัวฆ่าพาเป็นอาหารค้าขายน้ำมันค้าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้พระสุวรรบันไม่เสีดายอยากล่วงละเมิดเลยพระมีดวงตาเห็นทำแล้วสิ่งไหนไม่เสีดายอยากล่องละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเช่นเราไม่เสียดายอยากลงลุยฐานลุ่มฐานเตื้งมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจแล้วไม่เสียดายอยากเอาน้ำลายที่บุ้น ทิ้งแล้วมากินมันหนักใจัหมมันก็ไม่หนักใจทุกอย่างทุกอย่างถ้าเห็นโทษเต็มภูมิมันก็ไม่ใช่ได้อยากลงละเมิดเช่นไฟแดงโล่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ได้อยากจะไปลงลุยหลุมฐานเพลิงหรือไม่ใช่ได้อยากจะกระโดดเข้าในเปลวของมัน มีจะไม่หนีทั้งนั้นพอใจในการหลีกไม่พอใจในการร่วงระเมืดอุจาระของหมืนกันรู้จักก็เป็นอุจจาระแล้วก็ไม่เสียดายอยากจะไปจับส่วนที่มีอยู่ในท่องก็จําเป็นถ่ายออกแล้วก็ไม่เสียดายอยากเอาคืนมาอีกสิ่งนีไม่เสียดายอยากร่วงระเมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่หนักใจอ เพราะเห็นชัดด่วปัญญาแล้วว่ามันมีประโยชน์เหตุนั้นพระบรมศ า, าสตราจึงสอนว่าทัรรมันโุตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกขันยุตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้นี่เป็นภูมิของพระโสดามันเรียกว่าในดวงตาเห็นธรรมเชื่อพระพุทธธรรมะสงค์ไม่ขบคืน ไม่สงสัยคําสอนพระพุทธศาสนาพระธรรมพระสงค์เรียกว่าเว้นจากวิชีศิตชาแล้วไม่รูปคําคําสอนของพระพุทธศาสนาะเรียกว่าไม่รูปคําศีลทศของตนที่จะปฏิบัติไม่ถือตนถือตัวต่วตอพระพุทธศาสนาะเรียกว่าละสักกายทิฏฐิวิกีวิตชาสียละพัตตปรมาทแล้วมไม่อวดดีต่อคําสอนของพระพุทธศาสนาเคารพยำเกรงอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืน พอใจ เ, นเนยินในปฏิบัติดูทุกเมื่อไม่ถือเป็นของลําบากเพราะร่างกายมันชกกรปกก็ไม่ถือเป็นของลําบากในการจะอาบน้ําเพราะจิตใจมันชกกรกด้วยโรคโกรธดุ้งก็ไม่ถือเป็นของลําบากในการที่จะพยายามให้เห็นโทษจะเว้นพูดไปพูดมาก็ไส้เลื่อนก็ลงแล้วแล้ว่ย ใช่เรื่อก็ลงแล้วพูดไปพูดมาใช่เรื่องก็ลงแล้ ว, ลลวที่นี่แก่ก็แก่อยางเพึงผายไม่ได้ปิดบงังเก็บก็เก็บยางเพึงฝายตายก็ตายยางพึงฝายใครรองอะไรเนี่ยจะไปอาศัยขึ้นจากเช่นหลวงองค์หลวงปู่เทศในโลกแต่โลกชาลาเสียงเดียวหลวงปู่เทพเรามีอายุยืนอยู่แปดสิบก็ไหยืนละ แปดสิบสามน่ะแต่อย่าไปผูกของเล็กนะไม่ใช่หาโอบายบอกเลขเดี๋ยวชิบหายตายพูดตรงไปตรงมาเฉยๆไม่ได้มีโอบายเคยจะให้ผูกเลขถ้ามีโอบายจะให้ผูกเลขมันก็สู้เขารักษาเสียน้ำไม่ได้พระเล่นเล่นเล่นผาสู้เขารักษาเสียน้ำไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองนุ่งผ้าเหลืองเสียผ้าขาวอ่ะ เราอย่าสงสัยว่าคําสอนพระพุทธศาสนามไม่สอนเราเราอย่าสงสัยว่าคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนโง่เพราะเราทำถูกหรือไม่ถูกก็เป็นเรื่องของพวกเราสอนมนุษย์สมบัติจำภูมิสอนสวรรค์สมบัติจมภูมิสอนพรสมบัติจมภูมิสอนนิพพามสมบัติจมภูมิใ้าร่วงละเมิดอาัยนำว่าเป็นมนุษย์ไม่บัติก็เป็นสวรรค์ไมบัติก็เป็นพรมไมิบัติ ก็เป็นนิพพานนิวรณ์ถ้าไม่ร่วงอบายวมุกก็เป็นมนุษย์สมัสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติอยู่ในตัวและเป็นพัฒนามนุษย์สมบัติพัฒนาวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวด้วยคําสอนในคุตตภาพะพัฒนาทั้งวัตถุนิยมทั้งอุดมคติไปในตัวด้วยทุเรื่องและเมิดอบายวมุก ก็คือผู้ร่วงละเมิดเสียหายนั่นเองก็คือผู้ทําลายวัตถุนิยมและอุดมคตินั่นเองทําลายออกจากตนเองหรือเป็นคติของลูกหลานจะทําลายไปอนาคตอีกด้วยถ้าเว่นก็เป็นคติของลูกหลานที่จะเอาเป็นย่างอย่างไปอนาคตอีกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ ของชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นพระว่าบ่พระว่ า, าหลายองค์บ่แต่เราขืนดออยู่เฉยๆพราบรมศาสดาก็แปดสิบเท่านั้นหลวงปู่มั่นก็แปดสิบเท่านั้นเราแปดสิบสามเข้ามาเลยเยอะๆพระมาเอากีวรมาเว้ยพระมาหลายองค์เว้ย แต่ทางพิษทวี ไ, ไนเราไม่ปล่อยให้เป็นแล้วก็ห้ามผู้โต้โก็โก้ผู้ต้วันไหนผู้ให้ยอมโผล่ไม่พอดไหวผู้ชะนะย อ, กอดก่อเองผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นซุกข็อยอมอยู่เป็นทุกข์พระพุทธศาสนาพูดไม่มีที่แส่ผู้ชําผู้ชนะยอดก่อเอง ผู้แพ้อย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้สรรหาวัตถุสี่อย่างทานะสระสิ่งของข้องต้นเพื่อ ป, ประโยชน์แกผู้อื่นปีละว า, าระเจรจาที่อ่อนหวานอัฏฐจริยาประพฤติถิ่งที่เป็นประโยชน์แกผู้อื่นสมาณัตตาความเป็นผู้เป็นมีตนเสมอไม่ถือตัวคุณสี่อย่างนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู้อื่นไม่ได้มีแทงบอกผมจะเจ้าสอนผมนมีแทงเลย แต่ลก่อนละก่อ น, ล ะ, อนละบดหนูมีพรรแสงพระมาก็จะขยายคําเทศขึ้นเองจ้องเลื่อนตาแหน่งขึ้นเดี๋ยอะๆสัมปนมุอัธิฐานปานธรมถะปาน ม, มีสัมปนมุถึงจะตายด้วยอธิฐานหรือคําสั์ก็ยอมตายเรียกว่าสัตปานธารรมถะปานมีสัมปันุอัธิฐานปานธรรมถะปาน ม, มีสัมปนมุมีปัญหาสอนเข้ามาว่าถ้า ตั้งคำสัตว์ไว่าจะไปผูกคอตายอย่างนั้นมันจะถูกไหมอย่างนั้นมันไม่เป็นประโยชน์เราก็เพีก้กซะมันไม่เป็นประโยชน์อ่ะถ้าจะตั้งสัตว์ว่าจะไปหูกคอตายก็จะไปหรือมันตั้งสัตว์มุทะลุอันนั้นไม่ไปไม่เอา อ, นนอันนี้มันไม่ขัดข้องต่อพระธรรมวินยัยเออเอาให้เอาหนังสือให้แล้วเอาไปะอืมที่นี่ทํามันอื่นยังไม่เอ่ยเองที่ปัญหามากก็ฟกขี้เหล็ของเรามากก็ปัญหามากสิ ถ้ากิเลสของเราไมมากปัญหาก็ไม่มากถ้าภาวนาเพื่อคนทุกนะิมิตาสงสารก็ภาวนาไตรยรักเท่านั้นทําไมจึงพอใจภาวนาไตรลักเพราะสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วพิกษุณีอนิจจังทุกขังอนัตตก็พอแล้วเป็นได้สักว่ารู้เป็นได้สักว่าเห็นมันเป็นธรรมะชั้นสูงของพระพุทธศาสนา อดีตก็เป็นจริงตามอดีตอนาคตก็เป็นจริงตามอนาคตปัจจุบันก็เป็นจริงตามปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็กําลังจะล่วงไปอยู่ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ใดโลกล้วนอนิจจังไดใดโลกล้วนทุกขงังไดใดโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยนี่ธรรมะอันสัน้นศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงอันนี้ ถ้พุทธศาสนาชั้นสูงเห็นอ น, นิจจังคณะเจ็ดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกคณะเจ็ดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นสิ่งที่มันใช่ตัวตนมีแต่สังขารและกองทุกเต็มโลกยัดเยียดเบียดเสียดดูก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว เ, เ, เ, วเมื่ม อ, เ, เ, ๆๆ อ, เ, หอหเห็นโลกทั้งพวงเต็มไปด้วยอ น, นิจจังทุกขั้งอนัตตาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วความทะเยอทยานในโลกทั้งพวง ก็เบาลงก็ห้ามเบรกลงที่นี่ตั้หาก็ห้ามเบรกลงทุกทางใจก็ห้ามเบรกบงเหมือนกันมักก็เจริญไปในตัวนี่รอดก็ทําให้แจ้งไปในตัวใช่ไหมนั่นทำของพุทธศาสนาทําให้มากมากทําให้น้อยมาก็น้อยมากมันก็มากออกไปจากใจน้อยก็น้อยหายลงมาหาใจถูกไหม หน่วยเสียบร้อยพันมื่นแสนล้านก็ออกไปจากรักหน่วยถ้าย้อนลงมาก็มาหาหน่วยหาหลักหน่วยนั่นเองสัะพะทุกย้อนลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันสัพพะสังขารย้อนลงมาหาเอกสังขารในปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นพยานอนดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงปัจจุบันเมืเกิดดับไหม คำพูดแต่ละวัระบาทก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปนึกขึ้นแรกก็ล่วงไปนึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปเสียงเข้าหูส่งลงทั้งใจก็ล่วงไปล่วงไปนั่นคือตัวอันเนจังอันละเอียดอีกเหมือนกันสิ่งไหนที่มาเที่ยงสิ่งนั่นก็มีทุกสัมพยุตอยู่ด้วยเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาสิ่งไหนที่มีทุกสัมพยุตอยู่ด้วยก็มีสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสัมพยุตอยู่ด้วยอีกเหมือนกัน นี่ทำชั้นสูงของพระพุทธศาสนาะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครจะข้ามทะเลหลงของตนไปได้ใครจะข้ามทะเลหลงด้วยได้ก็พร ะ, ะปัญญาเท่านั้นใครจะชนะความโง่ก็คือปัญญาเท่านั้นจะชนะความโง่ใครจะชนะความขี้เกียจก็ด้วยความไม่ขี้เกียจเท่านั้นชนะ ใครจะชนะความเพียรความขี้เกียจก็คือผู้เพียรเท่านั้นจะชนะคำสอนพุทธศาสานาย่นลงมาสั้นอีกนีตจงทาจิตให้บันเทิงในการละชั่วทาดีเป็นคำสอนของพระเจ้าทางหลายย่นลงมาสั้นโลกคือหมูสัตชาดาพญาธิเข้าไปใกล้มา ย, ยั่งยืนโลกคือมูสัต ใครก็ไม่พ้นจากความตายไปได้จําเป็นจะละทิ้งซากภายในแผ่นดินโลกคือมูสัตว์หลบพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นท่าแข่งตันหาเมื่อโลกเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปวนและแต่สลายอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยอย่างนี้เห็นชัดด้วยปัญญาเนี่ยความเยอทยานในโลกทางปวงก็หดตัวลงโลกทางปวงคืออะไรนังคมอยู่ใดรอบก็คือโลกภายใน นอกจากนี้ไปก็คือโลกภายนอกสิ่งที่เป็นรูปเป็นนามก็อันเดียวกันใครเป็นเจ้าโลกก็คือทุกข์กับตายเป็นเจ้าโลกใช่ไหมจีนก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกอเมริกราก็ไม่ได้เป็นรัสเซียก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับตายเท่านั้นเป็นเจ้าโลกอะออกรถดีเวลามันสะดุดฮะอะไรยังไ้อะไ ร, อไอะไรโอ้ วันไหนดีหมดหลวงปู่ไม่ได้ถือวันหลวงปู่จะไปกล่าวตูมันวั น, วนมันมีแต่เมื่อกับสว่างเอกรัชจินทิวัตรมีแต่เมื่อกับสว่างเท่านั้นแล้วไปกล่าวตูวันไ ม, ไม่รู้นี่นี่อะไรหรอข้าพเจ้าเป็นวันทิศวันจันทร์วันอังคารพฤหัตจุกเสาเขาเข้าไม่ว่าแต่เราไปใส่ชื่อดีนาำแล้วก็พากันมาหลงกันข้าพเจ้าเป็นผู้เลิกดียามดีเขาก็ไม่ได้ว่าแต่พวกเราไปว่าให้เขาจิตใจไปว่าให้เขาไปกล่าวตูเขา เวลาไหนทําดีเวลานั้นจะเป็นเรื่องดียามดีคนหนึ่งขับรถเขาบอกว่ารถของผมไม่ได้เจิมนะครับเขา บ, บอกเวลาขึ้นรถผมก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ผมก็ขับไปเลยสติดไฟแล้วผมระวังภาวนาพุทโธด้วยผมขับอยู่ที่อุดรสิบสองปีไม่เป็นอันตรายเลยไม่จะเป็นผมก็ไม่ ไปแซงเขาไม่จำเป็นผมก็ไม่ไปแซงผมเอาทางปลอดภัยผมไม่เอาทางผึงผึงผายอุบายไดจะปลอดภัยผมก็เอาอนนั้นแล้วก็ผมภาวนาพุทโธด้วยผมขับอยู่สิบสองปีไม่มีอันตรายใดๆเลยของเขานี่สาธารณพัมีโรคพะระโรคอะไรผูกคอรถคอราอยู่เตมแต่ไม่นานเห็นกองอยู่กรมตำรวจเข้ามาแต่ของผมไม่ได้เข้ากรมตารวจสักทีเลย <c oughs> ผมไม่ได้ ผมไม่ได้เจมเลยผมเจมจิตของผมขับให้มันดีวะอย่าง้ยหลวงปู่ไม่จะถือภายนอกหลวงปู่ถือว่าสิ่งไหนที่เราทำดีสิ่งนั่นถึงแม่จะพลาดก็เป็นของเหลือวิัยเลือกดียามดีหลวงปู่ก็ไม่ถือเลือกไหนก็ดีหมดถ้าเราทาดีถ้าเราทาชั่วเลือกไหนก็ชั่วหมดเลือกไม่ชั่วไม่ดีกับใครแต่เราทำชั่วไปก่าวตู่โลก ไปกล่าวตัเขาเราทำดีก็ให้คะแนนเขากับบ้านจริงจริงก็เราทําดีแท้ๆไปให้คะแนนดรียนฝ้าอากาศก็เราทําลาดแท้ๆไปให้ติเตียนดรียนฝ้าอากาศมันก็ไม่ถูกแล้วปู่ไม่ได้ถืออนะไรถือว่าถ้าหากว่าเคยได้เป็นมาแต่ชาติก่อนมันก่อนเดีวบิสัยถ้ามันเป็นจะเป็นในชาตินี้ก็ให้พ้นซักถืออย่างนั้นเช่นเขามาทําให้เราเสียใจก็ดีเคยเคยได้ ทำให้เขาเสียใจมาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วไปซะถ้าเขามาทำใหม่ก็ให้แล้วไปซะดาวมีเวนี่พัยกันโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวนอันนี้เป็นเรื่องหนึง่งรถมันมีมากในประเทศไทยพากันชื่อมากนคนละคนละคนขับไปก็เอาไปกองไว้ที่กรุงเทพมันก็ไม่มีที่จอดสิถ้ากรุงเทพไม่อยาก ให้มันยัดเยียดก็แต่งโรงงานทางภาคอีสานใหามันว่าทุกภาคแต่งโรงงานให้เขามีงานทําแต่ละจังหวัดจังหวัดเขาก็ไม่เข้าไปหูวในกรุงเทพที่เขาไม่มีงานเขาเขาเขา้าไปไปในกรุงเทพ ม, มันอดตายมันไม่มีที่ทำงานมันก็ไปสินาง <c oughs> <c oughs> คนก็ไปยัดเยียดกันอยู่ทีนี่พวกคนรวยพวกคนรวยกขับคันละคนละค น, ะคนรถเบ็มันก็ไปกองกันอยู่่ะ ถ้าคันไหนคันไหนขับยัดเยียดกันหมดมันก็ไม่เต็มรถคนละคันละคันเอาออกไปไปโชว์ถนนมันก็เต็มชีนั่นนั่นไม่ยอมขึ้นขีด้วยกันคนหนึ่งก็คันหนึ่งคนหนึ่งก็คนคันหนึ่งไม่เป็นไรดอกที่หลังขับให้ดีก็ไม่เป็นปัญหาดอกแต่ชาติก่อนคงจะเคยชนกันกับเขาก็ไม่ทราบหรือก่อใหม่ก็ไม่ทราบ เขาเขาบอกลุงปู่เหมือนกันก็ผมขับรถไม่เป็นยังไงครับไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นกลิ่นของมันจมูกก็ดีนะลุงปู่เขาบอกว่ า, าไฟไม่รถธรรมดาหรือยังไงก็ให้รู้จักกลิ่นหูก็ต้องดีเสียงรถดังธรรมดาหรือเสียเครื่องเสียก็ต้องให้ดีเขาเขาบอกลุปงปู่นะไม่จำเป็นไม่แซงลุงปู่เขาบอกว่ า, าถ้าไปแซงเขาสีา่ห้านาที จึงได้ขึ้นน้าคันอื่นมาก็เพ่งอะไรนะมาทางหลังทางหลังก็เพ่งองีมาจำเป็นก็ไม่แซงทีนี้สามแยกสี่แยกสองแยกก็มองดูให้ชัดพอที่จะพ้นจึงไปไม่พอที่จะพ้นก็ไม่ไปโยอยางนะแต่ก็รออยู่นานคันอื่นมาก็เพงอีกเหมือนกันสะเ บ, บกกิกเหมือนกันล <laughs> กะผมก็ไม่ทำใจปฏิพัทธ์ไปใส่เขาเดี๋ยวมันลืมมือทน อันนี้ก็เติมรถเขา้าเองเติมรถคันจิตคันใจในให้ดีถ้าวิ่งเร็วเกินไปมันก็สู้ไม่ไหวไอ้คนขี้เมามีอยู่บางคนมันก็กินยามากก็ใส่ไปทส่มาใายไปใส่าสาสามามันก็ชนสิแบบนั้นก็มีเพราะไม่ใช่หนทางเราคนเดียวต้องระวังรถรถกุใตจอำนาจอันนิ้จังญเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้อําอนาจอานิจกักษจะให้สมประสงค์ไม่ได้ไม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งคําว่ารถก็เอาตัวดอรอสกดซัรถลงเรื่อยเอาตัวลอเลียงซัถ้าเอาตัวลอเรือก็คงจะเป็นรถน้าคําว่ารถเอาตัวล้ลียงถ้าเอาตัวดระกดเนี่ยก็รถลงเรื่อยรถอันไหนก็เหมือนกันร่างกายของเราเหมือนกันก็นับวันรถลงเหมือนกันรถคั้นนี่วันนี้ก็ใกล้จะตายกว่าวันวนี้ใช่ไหมเนี่ย มีรถคันนี้เหมือนกันละคันอื่นๆก็เหมือนกันไม่ได้พูดตัดสํานวนกันพูดเพื่อให้ถึงธรรมะเนี่ยไม่ได้พูดเอาแพ่ okay, เอาชนะกันพูดเพื่อให้คําหนึ่งถึงธรรมะไดในรกรวนอันนีจ้จังไดในรกรวนทุกขงังได้นรกรวนอะไรตาเรารักษาถ้าเหลือวิสัยแล้วก็ยอมตายเท่านั้นยอมเป็นเท่านั้นเราก็รักษาอยู่าายาประมาทเท่านั้นยาประมาทยาประมาทอันนี้สําคัญมากถ้าเราไม่ประมาทมันก็ยังเป็นอยู่นะผมะเหลือวิสัย ถ้าเราประประมาณแล้วก็เราก็จะได้เสียใจของให้เราในภายหลังถ้าเราไม่ประมาทมันก็สุดใจแล้วจำเป็นเสียหายมากไหมไม่มากอันนีด้เดียวฮะออไม่เป็นไรหรอกเชฟเขาไปเอากับบริษัทแต่มันก็ไม่มีที่วิ่งหนทาง <laughs> ร่างกายก็เปียบเหมือนรถถ้าขับไม่ดีก็ตกเขียวกัน รถคับนี่เหมือนกันถ้าขับพญยายิ่ิตรราชเป็นผู้ขับถ้าขับไปฆ่าสัตว์รักชาปนพืชในผิดในกรรมอย่างนี้มันก็ไปตกเหวเหมือนกันถูกไหมวันไหนก็ดีคุณหนูวันไหนก็เป็นวันดีทั้งนั้นแหละเอาวันพุธโทน่ยภาวนาพุธทโทไปด้วยธรรมโมสั้งโคก็อยู่นั่นแหละวันไหนก็ดีทั้งนั้นขอให้มันสะดวกแต่เวลาเราโลภเราโกรธเราหลงเราทําไมไม่หาวัน ถูกไหมเวลาเราทำดีเราจะหาวันทำไมเวลาเราโลบเราโกรธเราหลงให้เขาเราไม่เรียกว่าวันไหนยังเวลาไหนเ่ะมันเพียงไดเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่พูดจัดสํำนวนเนอะ